คำหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พึ่งทางใจมีอยู่สองชนิดด้วยกันคือหนึ่งพุทธทางธรรมังสังคังสรณนังกัจฉามิคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของใจและชนิดที่สองคือ อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนที่พึ่งทั้งสองชนิดนี้ชนิดไหนเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดที่พึ่งที่ดีที่สุดก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเพราะถ้าเป็นที่พึ่งของตนได้ ก็ไม่ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ต้องพึ่งใครทั้งนั้นบุคคลที่เป็นอตตาหิอัตาโนนาโถนั้นก็มีอยู่สองบุคคลด้วยกันคือหนึ่งพระพุทธเจ้าสองพระอรหันตสาวกท่านทั้งสองนี้ท่านไม่ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เพราะท่านเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองท่านจึงเป็นอัตตาหิอัตนโนนาโตพวกเราที่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรื อ, อยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันตาสาวกพวกเราก็ยังไม่เป็นอัตตาหิอัตนาวนาโตยังไม่มีอัตตาหิอัตนาวนาโตยังไม่มีตนเป็นที่พึ่งของตน เมื่อเรายังไม่เป็นที่พึ่งของตนเราก็ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนพอะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะทําให้เราได้กลายเป็นอัตติอัตโนนาโธต่อไปนั่นเองพวกเราก็เปรียบเหมือนลูกๆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เปียบเหมือนพ่อแม่ตอนที่ลูกๆยังเด็กยังเล็กอยู่ ลูกๆยังพึ่งตนเองไม่ได้ก็ต้องพึ่งพ่อแม่ไปก่อนให้พ่อแม่เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนพอโตขึ้นมาเป็นตัวตนพอโตขึ้นมาเป็นที่พึ่งของตนได้ก็ไม่ต้องพึ่งพ่อแม่อันนี้ก็เหมือนกันจิตใจก็เหมือนกับร่างกาย จิตใจของพวกเรานี้ยังเป็นเหมือนทารกอยู่ยังเป็นเด็กอยู่ยังพึ่งตนเองไม่ได้ยังไม่มีอัตตาหิอัตโนนาโตพวกเราเลยต้องพึ่งพุทธังธรรมังสังขังสารนังกระชามิไปก่อนต้องพึ่งพระพุทธเจ้าหรือพึ่งพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือพึ่งพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้า ที่จะสั่งสอนให้พวกเราได้เป็นที่พึ่งของตนเองได้เป็นพระอาหลานตสาวกนี่แหละคือเรื่องของที่พึ่งทางใจที่พวกเรากําลังมาสร้างกันอยู่ในขณะนี้การเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เพื่อเข้ามาหาที่พึ่งทางใจนั่นเอง เพราะที่เพิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ทางร่างกายไม่สามารถทำหน้าที่ปกป้องรักษาคุ้มครองจิตใจของพวกเราให้แค็งแกร่ปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆได้ต่อให้มีเงินทองกองเท่าภูเขาต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นมหาจากักรพรรดิเป็นประธานาธิบดีก็จะ ไม่สามารถที่จะป้องกันความทุกข์ใจต่างๆให้เกิดขึ้นได้ความทุกข์ใจยังมีอยู่ในใจของผู้ที่ร่ำรวยยังมีอยู่ในใจของผู้ที่เป็นใหญ่เป็นโตยังมีอยู่ในใจของพวกที่เลิศในการกระทําในการแสดง ทางใดทางหนึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองได้รับรางวัลตุ ก, กตาทองสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาคุ้มครองจิตใจไม่ให้พ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เราจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะผู้ที่เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลังจากที่ได้ศึกษา และได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนแล้วจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นี่คือความประเสริฐของที่พึ่งทางใจที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมาเปรียบเทียบ ม, มาสู้ได้ต่อให้มีอะไรมากน้อยเพียงไรในโลกนี้ ให้มีลาบยศสรรเสริญให้มีความสุขระดับไหนก็ตามจะไม่สามารถดับความทุกข์ใจต่างๆสามารถไม่สามารถป้องกันไม่ให้ความทุกข์ใจต่างๆปรากฏขึ้นมาได้เราจึงควรที่จะเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันอย่าหลงไปหา ลาบยศสรรเสริญ ส, สุขมาเป็นที่พึ่งกันพราเราจะผิดหวังเราจะต้องเศร้าโศกเสียใจเราอาจจะต้องข่าตัวตายกันคนสมัยนี้ที่ยึดลาบยศสรรเสริญยึดความสุขทางตาหูจบูกลิ้นกายจะต้องเจอกับความผิดหวังในบ้านปลายของชีวิต เวลาที่ต้องสูญเสียบุคคลที่ตนรักไปหรือสูญเสียทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไปหรือร่างกายไม่สามารถที่จะทำหน้าที่หาความสุขให้กับตนได้เวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจจนไม่อยากจะอยู่ต่อไป สมัยนี้จะมีคนฆ่าตัวตายกันมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะคนสมัยนี้ยึดลาบยึดสันลเสริญสุขเป็นสารณะเป็นที่พึ่งกันไม่เข้าหาศาสนากันไม่ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะกันไม่สร้างอัตตาหิอัตโนนาโถกันขึ้นมากันก็เลยไม่มีที่พึ่งเวลาที่พึ่งที่ ทางโลกได้สูญเสียไปหรือหมดสภาพไปถ้าสูญเสี ย, ายสลาภยศสสรสุขไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือถ้าร่างกายหมดสมรรถภาพเช่นเวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาจะตายร่างกายจะไม่สามารถที่จะ หาความสุขต่างๆให้กับใจได้เลยเวลานั้นก็จะเหลือแต่ความทุกข์ทรมานใจและไม่รู้จะหาวิธีดับความทุกข์อย่างใดก็จะถูกโมหะอาวิชชาความหลงหลอกให้คิดว่าการค่าตัวตายนี้เป็นการดับความทุกข์ต่างๆแต่มันก็เป็นการดับเพียงชั่วระยะ สั้นๆคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดับความทุกข์ที่เกิดจากการที่ไม่สามารถหาความสุขต่างๆได้แต่หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจที่ยังไม่มีที่พึ่งก็จะไปหาที่พึ่งใหม่ก็จะไปหาที่พึ่งแบบเดิมคอยพึ่งราบยศสรรเสริญ ส, สุข ก็จะกลับไปหาราบยศสรรเสริญสุขใหม่การที่จะหาราบยศสรรเสริญสุขได้ก็ต้องไปมีร่างกายอันใหม่ก็ต้องไปเกิดใหม่พอไปเกิดใหม่เวลาเกิดมาเวลาตอนที่กําลังจะเริ่เติบโตหรือตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวตอนที่มีกําลังวังชา มีความสามารถที่จะหาความสุขต่างๆก็จะหากันแบบเดิมไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถภากันไปไปจนกระทั่งเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นมาเวลาไม่สามารถหาลาบยศสรรเสริญสุขได้เวลานั้นก็จะไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหา ก็จะกแก้ปัญหาแบบเดิมอีก็จะฆ่าตัวตายอก่อนมากี่ครั้งกี่รอบก็จะต้องมาฆ่าตัวตายเพื่อแก้ปัญหาซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาให้มันหายหายไปหมดมันยังมีอยู่เพราะตัวปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายตัวปัญหามันอยู่ที่ กิเลสที่มีอยู่ในใจ ค, คือตันหาความอยากสามประการกามตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาความอยากสามประการนี้แหละเป็นตัวที่ผลักดันให้จิตใจต้องมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องมาดิ้นรนหาลาบยศสารเสริญสุขกันแล้วก็มาทุก เวลาที่เกิดปัญหาไม่สามารถหาราบยศสารเสริญสุขกันได้เนนั้นก็เลยต้องมาทำลายสิ่งที่ตนเองรักและหวงมากที่สุดก็คือร่างกายทำลายร่างกายเวลาที่ทำลายร่างกายนี้มันจะทรมานใจมากมันจะทุกมากยิ่งกว่า เวลาที่ยังไม่ได้คิดที่จะฆ่าตัวตายเวลาไม่ได้คิดฆ่าตัวตายมันก็เพียงแต่ทุกข์เพราะไม่สามารถหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขได้แต่พอเวลาฆ่าตัวตายนี่มันจะยิ่งทุกข์ขึ้นไปอีกมากเพราะเราไม่มีไม่มีใครจะรักหรือจะหวงเท่ากับร่างกายของเราเอง แล้วที่เราอยู่กันทุกวันนี้เพื่อปกป้องรักษาร่าง ก, กายอย่างสุดกำลังแล้วอยู่ดีๆจะมาพลิกกลับมาคิดค่าร่างกายของเราเองนี่มันจะเป็นความคิดที่สร้างความทุกข์อย่างมหาศาลนี่คือทําไมเราจรึงต้องมาหาที่พึ่งทางใจกันเพราะถ้าเรามีที่พึ่งทางใจแล้ว เราจะไม่ต้องพึ่งราบยศสรรเสริญสุขกันเราจะสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีราบยศสรรเสริญสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเพราะที่พึ่งทางใจนี้พึ่งใจเป็นที่พึ่งเป็นผู้สร้างความสุขให้กับใจเอง เพียงแต่เรามาศึกษาจากผู้รู้เท่านั้นผู้ที่รู้วิธีสร้างความสุขทางใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ถ้าเราศึกษากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้เรียนรู้วิธีสร้างที่พึ่งทางใจขึ้นมาวิธีสร้างความสุขทางใจขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องอาศัยลาบยศสรรเสริญสุขไม่ต้องอาศัยร่างกาย เป็นเครื่องมือสร้างความสุขให้กับเราสิ่งที่เราต้องอาศัยคือทำทำมังสรานงรนามกชามิทำมังก็คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือต้องศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาให้เข้าใจและนำเอาไปปฏิบัติ เพราะการศึกษาเพียงอย่างเดียวยังไม่ทำให้เกิดผลขึ้นมาการศึกษาเป็นเพียงแต่เรียนรู้วิธีสร้างความสุขเมื่อรู้วิธีสร้างความสุขทางใจว่าสร้างอย่างไรแล้วเราก็ต้องลองสร้างดูเมื่อเราลองสร้างดูแล้วเราก็จะได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติ ตามค ำ, ค, ำาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะมีอยู่มากมายที่มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกก็มีถึงแปด0มื่นสี่พันธรรมบทแต่คำสั่งคำสอนทั้งแปด0มนสี่พันธรรมบทนี้เราสามารถย่อลงมาเหลืออยู่สามสามบทเท่านั้น คือทานศีลภาวนาทุกคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเนี่ย ấy, จะเกี่ยวกับเรื่องการทำทานหรือเรื่องของการรักษาศีลหรือเรื่องของการภาวนาเท่านั้นเองไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างทุกคำสอนนี้สอนมาเพื่อให้เรารู้จักวิธีทำทานให้ถูกต้อง ให้เรารู้จักรักษาศีลให้ถูกต้องให้เรารู้จักภาวนาให้ถูกต้องคำว่าถูกต้องก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองให้เรารู้จักวิธีปฏิบัติตดีปฏิบัติชอบต่อการทำทานต่อการรักษาศีลต่อการภาวนานั่นเองนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะ ศึกษาให้เข้าใจอย่างท่องแท้ว่าทานมีหน้าที่ทำอะไรบ้างศีลมีหน้าที่ทำอะไรบ้างภาวนามีหน้าที่ทำอะไรบ้างทานมีไว้ทำไมศีลมีไว้ทำไมภาวนามีไว้ทำไมก็มีไว้เพื่อทำลายความอยากทั้งสามนี่เองคือกามะตัณหาภาวะตัณหา และวิภาวตัณหาเพราวะว่ากามตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหาเป็นผู้สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นมาภายในใจนี้นั่นเองไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถสร้างความทุกข์ใจให้กับพวกเราได้บุคคลต่างๆเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถสร้างความทุกข์ใจให้กับใจได้ ตัวที่ทำให้ใจทุกข์คือกามรรตันหาภาวะตันหาและวิภวะตันหาโดยอาศัยเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆเป็นตัวม า, าจุดประกายเป็นตัวที่มาเปิดสวิตไฟไฟฟ้านี่มันจะเปิดมันจะปิดมันอยู่ที่สวิตไฟมันไม่ได้อยู่ที่คนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ แต่คนนั้นคนนี้ไม่ได้ไปเปิดสวิทช์ไฟไฟมันไม่เกิดหรอกแต่ถ้าคนนั้นคนนี้ไปเปิดสวิทช์ไฟเขาไฟมันก็จะเกิดขึ้นมาฉะนั้นได้ความทุกข์ใจของพวกเราก็เกิดจากการมตทฐนหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาไม่ใช่เกิดจากการกระทาเกิดจากการพูดของคนนั้นคนนี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราไม่เอาการกระทาของคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ มามามาเปิดสวิมามาเปิดกามะตัญหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดหรือคนที่ไม่มีกามะตัญหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาแล้วจะไม่มีความทุกข์ใจเกิดขึ้นไม่ว่าจะไปเจอใครก็ตามเขาจะพูดหรือเขาจะด่าก็าจะชม มันก็ไม่ไปสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นภายในใจได้เพราะภายในใจไม่มีสวิตไฟแล้วสวิตไฟที่จะเปิดไฟสวิตที่จะเปิดความทุกข์คือกามตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหาได้รับการกําจัดจากการปฏิบัติทานศีลภาวนาแล้วคือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้ใช้ทานศีลภาวนา กำจัดสวิตไฟหรือสวิต ท, ที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอไม่มีสวิตแล้วต่อให้ใครมาแย่อย่างไรมาดุด่าว่าเก่าอย่างไรมาชมอย่างไรมันก็ไม่มาทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้แต่คนที่ยังมีกามะตฐาหาภาวะตันหาวิภาวะตันหายู่เนี่ย พอไปเจอคนที่เ็าพูดดีแล้วไม่ดีขึ้นมาก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาทันทีเพราะใจไปดึงให้เขามาเปิดสวิคในใจเรานั่นเองมามาจุดมามาเปิดตัวกามะตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาขึ้นมานั่นเองพอเราได้ยินเสียงไม่ดีเราก็เกิดวิภาวะตันหาแล้วอยากให้เสียงนั้นหายไป พอมันไม่หายก็ทุกข์ใจขึ้นมาหรือเวลาเกิดอาการเจ็บทางร่างกายขึ้นมาก็อยากจะให้มันหายพอไมไม่หายก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีความอยากให้มันหายมันจะเกิดหรือมันจะดับหรือมันจะอยู่มันไม่มีปัญหามันจะไม่มาทำให้ใจของเราทุกข์ได้เลยนี่แหละคือตัวปัญหา คือตัวกามะตันหาภาวะตันหาและวิภวะตันหานั่นเองกามะตันหาก็คือความอยากในกามในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะคาว่ากามคือกามคุณห้านี่เองกามคุณห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะอยากสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเรียกว่ากามะตันหา ภาวะตัณหาการอยากมีอยากเป็นหรืออยากให้ภาวะนั้นเป็นอย่างนั้นภาวะนี้เป็นอย่างนี้อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้อยากให้บุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรียกว่าภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาก็คือความอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ไม่อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่นไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่อยากให้ร่างกายตายไม่อยากให้คนเขาด่าเราไม่อยากให้คนเขาเกลียดเราอันนี้มันก็จะเป็นตัวกับสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีถ้ากำจัดสามตัวนี้ได้แล้วไม่ว่าจะไปเจอใครไปพบกับเหตุการณ์ันใด จะไปแต่ลาบยศสารเสินจะไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะใจจะเฉยๆกับสิ่งต่างๆที่ไปสัมผัส ร, รับรู้จะไม่ซึมซาบเข้าหากันเหมือนกับหยดน้ํำบนใบบวัวะหยดน้ําหยดไปบนบนใบบวัวมันจะไม่ซึมเข้าหากันไม่เหมือนหยดน้ําวนแผ่นกระดาษกระดาษซับกระดาษซึมเนี่ พอหยดน้ำลงไปมันจะดูดน้ำเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกับกระดาษเลยใจของผู้ที่ยังมีกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี้จะเป็นเหมือนกระดาษซับกระดาษซึมพอมีเหตุการณ์อะไรมาสัมผัสท่านั้นมากระทบท่านั้นมันจะดูดกันเข้าไปมันจะดึงเข้าไปในใจเลยจะดึงเข้าไปสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาทันที เห็นใครก็ด่าเราว่าเรานี่ใจก็ร้อนขึ้นมาทันทีเสียหกเสียใจขึ้นมาทันทีหรือสูญเสียสิ่งที่เรารักไปก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันขึ้นมาทันทีเพราะตั้นหาความอยากไม่อยากสูญเสียสิ่งที่เรารักไปนั่นเองอยากให้สิ่งที่เรารักเป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดพอเวลาเขาจากเราไป เราก็เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้แต่ใจที่ไม่มีการมาตัญหาไม่มีภาวะตัญหาไม่มีวิภาวะตัญหานี้จะเฉยเฉยรับรู้อยู่แต่ไม่มีความรู้สึกต่อเหตุการณ์ต่างๆใครจะด่าก็รับรู้ว่าเขาดา่าแต่ก็ไม่มีความรู้สึกอะไรใครจะชมก็รับรู้เฉยเฉย ไม่ได้ดี อ, อกดีใจไปกับคำชมของเขาใครจะให้ข้าวของเงินทองมามากน้อยเพียงไรก็ไม่รู้สึกดีใจแต่อย่างใดใครจะเอาเข้าวของเงินทองที่มีอยู่ไปก็ไม่รู้สึกเสีย อ, อกเสียใจแต่อย่างใดเพราะใจไม่หิวกับสิ่งต่างๆในโลกนี้แล้วนั่นเองไม่หิวกับลาบยศจันทร์เสนสุขไม่หิวกับร่างกาย พราะไม่มีกามาตัญหาไม่มีวิภภาวะตัญหาไม่มีภวะตัญหานั่นเองผู้ที่จะไม่มีกามาตัญหาภวะตัญหาและวิภภวะตัญหาได้จําเป็นจะต้องศึกษาวิธีกําจัดตัญหาเหล่านี้ถ้าศึกษาพระธรรมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างสม่สมําเสมออย่างต่อเนื่องก็จะเข้า ก็จะรู้ว่าสิ่งที่จำเป็นจะต้องใช้ในการกำจัดกามาตัญหาภาวตัญหาวิภวตัญหาก็คือทานศีลภาวนานี่ยเองต้องทำทานต้องรักษาศีลต้องบำเพ็ญจิตตภาวนาถ้าปฏิบัติถูกต้องก็จะได้ผลถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องก็ยังจะไม่ได้ผล เพราะการปฏิบัติเหมือนก็เหมือนกับการกินยานี่เองถ้ากินยาไม่ถูกเวลาไม่ถูกกับโรคมันก็จะไม่เกิดผลเช่นกินยาแก้ปวดท้องเพื่อรักษาอาการปวดศีรษะกินไปแล้วอาการปวดศีรษะไม่หายเสียทีหรือไปกินยาแก้ปวดศีรษะเพื่อรักษาอาการปวดท้องมันก็ไม่หาย มันต้องรู้จักว่ายาชนิดนี้เหมาะกับโรคชนิดนี้ต้องใช้ให้ถูกกับยาทุกถูกกับโรคนี่คือการเรียนรู้การศึกษาการฟังเทศฟังธรรมต้องให้รู้ว่าการทำทานนี้ให้ทำตอนไหนให้ทำเพราะเหตุใดให้รู้ว่าต้องรักษาศีลตอนไหนรักษาเพราะอะไรเพราะเหตุใดให้รู้ว่าทำไม ต้องภาวนาภาวนาตอนไหนเวลาไหนถึงจะได้ผลได้ประโยชน์การใช้ยานี้ก็ต้องมีรู้จักวิธีใช้เวลาไปซื้อยาหมอเขาจะเขียนบวงไว้ในซองว่ายานี้แก้ปวดศีรษะยานี้แก้ปวดท้องยานี้แก่เวลาท้องเดิน เวลาขามันขี้เกียจเดินท้องมันจะเดินก็ต้องใช้ยานี้ให้หยุดท้องเดินอย่าเอาท้องไปเดินเอาขากลับมาเดินออยาแก้ท้องเสียเออยาแก้ท้องเดินต้องกินยาให้ถูกกับโรคที่กําลังเกิดขึ้นโรคของพวกเราที่เกิดขึ้นก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆนั่นเอง เวลาเกิดความอยากชนิดนี้เราก็ต้องใช้ยาชนิดนี้ถึงจะกำจัดความอยากชนิดนี้ได้ถ้าไปใช้ยาอีกชนิดหนึ่งมันก็จะกำจัดความอยากไม่ได้เช่นเวลาที่จะต้องทำทานแต่เราไม่ทำทานเรากลับไปรักษาศีลอย่างนี้มันก็มาแก้ปัญหาตัวที่ที่ต้องใช้ตัวการทำทานมาแก้ม้มันก็จะไม่หาย ตัวที่เราต้องใช้การทำทานมาแก้คือตัวไหนคือตัวที่อยากจะใช้เงินตามความอยากต่างๆนั่นเองการใช้เงินนี้มีอยู่สองลักษณะลักษณะที่ถูกต้องเกิดใช้เงินตามความจำเป็นเช่นใช้เงินกับการเลี้ยงดูร่างกายต้องใช้กับของที่จำเป็นเพื่อรักษาชีวิตไว้เช่นต้องใช้เงินกับการซื้ออาหารซื้อที่อยู่อาศัย ซื้อยารักษาโรคซื้อเครื่องนุ่งห่มอันนี้เป็นการใช้เงินที่จำเป็นต้องใช้แต่ถ้ามีแล้วเราอยากจะใช้อีกอันนี้ไม่จำเป็นแล้วเช่นมีเสื้อผ้า พ, พอแล้วยังอยากจะซื้อมาเพิ่มอีกอันนี้แหละคือใช้ตามความอยากตอนนั้นน่ะถึงจะต้องเอาทานมาแก้เวลาจะเอาเงินไปใช้ของตามความอยาก ก็ให้เอาเงินนี้ไปทำทานแทนเอาเงินนี้ไปทำบุญแทนไปซื้อเสื้อผ้าให้คนอื่นเขาเรามีพอแล้วแต่เราอยากจะซื้อเสื้อผ้าอีกก็ซื้อไปให้คนอื่นคนที่เขาไม่มีเสื้อผ้าใสอันนี้คือความหมายของการทำทานเพราะถ้าเราทำอย่างนี้แล้วต่อไปมันจะไม่อยากจะซื้ออะไรเพราะมันรู้ว่าซื้อเรามันเสียเงินเปล่าๆมันไม่ได้อะไรกลับมา อยากจะซื้อเสื้อผ้าก็ต้องเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าให้คนอื่นอยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยก็ซื้อแล้วก็ต้องไปเอาไปแจกให้คนอื่นอย่างนี้มันซื้อแล้วมันไม่ได้มันก็ต่อบไปมันก็ไม่อยากจะซื้อมันจะได้ไม่ต้องใช้เงินมากเกินไปนั่นเองอันนี้เป็นความจำเป็นเพราะการที่เราจะก้าวขึ้นสู่การปฏิบัติธรรมขั้นที่สูงต่อไปได้ เราต้องมีเวลามา ป, ปฏิบัติธรรมกันแต่ถ้าเรายังเอาเวลามาหาเงินเพื่อเอามาเอาเงินมาใช้ตามความอยากอยู่เราก็จะไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมที่สูงกว่าได้ถ้าเรายังใช้เงินอยู่เพราะเราอยากซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆอยากซื้อของตามความอยากต่างๆอยากไปเที่ยวอยากไปกินไปดื่มไปอะไรตามความอยาก มันก็ต้องใช้เงินนะน่าจะใช้มากเพราะของพวกนี้มันมีหลากหลายราคาด้วยกันมีราคาที่ท้าทายต่อเงินในกระเป๋าของเราอยู่เสมอจะทำให้เงินในกระเป๋าของเรานี้หมดแล้วจะทำให้เราต้องไปหามาเพิ่มใหม่ต้องไปหางานไปหาเงินต้องไปทำงานอยู่เรื่อยๆเวลาที่จะไป ปฏิบัติทำขั้นที่สูงกว่าก็จะไปไม่ได้เพราะว่าขั้นที่หนึ่งยังยังยังไปไม่ได้จะไปขั้นที่สองได้อย่างไรขั้นที่สามได้อย่างไรขั้นที่หนึ่งก็คือทำทานเพื่อหยุดการใช้เงินตามความอยากต่างๆทุกครั้งที่เราอยากใช้เงินตามความอยากเอาเงินไปทำบุญทำทานแทนแล้วความอยากจะใช้เงินมันจะ ค่อยๆหายไปหมดไปทุกครั้งที่มันอยากจะใช้เงินตามความอยากก็เอาไปทำบุญทำทานต่อไปความอยากจะใช้เงินตามความอยากมันจะหายไปแล้วมันจะทำให้เราไม่ต้องไปหางหาเงินมากจนเกินไปเราก็หาเพียงแต่พอมาเลี้ยงดูร่างกายก็พอซึ่งไม่มากเลยถ้าหาเงินเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่ บ้านก็มีอยู่แล้วเสื้อผ้าก็มีพอใส่แล้วนี่ก็มีแต่อาหารที่ต้องหามากินวันละสองสามมือ้อเลแล้วก็ยาก็นานๆจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บเสียทีถ้าไม่เลือกจริงๆก็โรงพยาบาลที่รักษาสามสิบบาททุกโรค ก, ก็ยังรักษาได้อยู่อันนี้จะทำให้เราไม่ต้อง วุนวายกับการไปหาเงินมาใช้ใจ่ายมันจะทำให้เรานี้สามารถที่จะปฏิบัติทำข้อที่สองและข้อที่สามได้ข้อที่สองก็คือการรักษาศีลการไม่ทำบาปการไม่ทำบาปก็เพื่อหยุดความอยากที่จะทำบาปนั่นเองทำไมเราจึงอยากจะทำบาปกันก็เพราะว่าเราอยากจะหาเงินมากมากกันนั่นเอง เวลาเราใช้เงินมากเงินไม่พอใช้ใจเราร้อนจะรองเงินเดือนบางทีมันยังไม่ออกแต่ถ้ามีวิธีได้เงินแบบที่เร็วกว่านี้แต่อาจจะผิดศีลธรรมเช่นต้องโกหกหลอกลวงต้องช่อโกงเราก็จะทํากันอยากจะทํำบาปกันเพราะอยากจะได้เงินแบบง่ายๆมากๆและเร็วๆ พอเรายัางชอบใช้เงินไปกับความอยากต่างๆอยู่อยากได้รถเกง๋งอยากได้คอนโดอยากได้เพชรนินจินดาอยากได้สร้อยได้เพชรได้ทองได้อะไรต่างๆเห็นอะไรแล้วก็อดที่จะอยากไม่ได้อันนี้มันก็จะทําให้เราต้องไปทําบาปกันเพราะเงินทองของเราไม่ช้าก็เร็วมันก็จะไม่พอใช้ เพราะถ้ามันมีแล้วพอมันใช้แล้วมันติดยิ่งใช้ยิ่งมันยิ่งสนุกะเก้ว่ายิ่งใช้แล้วยิ่งสุขแต่มันสุขเดี๋ยวเดียวมันจะมาทุกตอนที่เงินไม่มีใช้น่ะสิพอไม่มีใช้ก็หยุดไม่ได้หยุดความหยุดการอยากใช้เงินไม่ได้ก็ต้องหาเงินโดยวิธีทําบาปกันก็จะไม่มีความสามารถที่จะมารักษาศีลได้เอมาหยุดความอยากทําบาป ได้ความอยากทำบาปนี้ก็เป็นความอยากที่ร้ายกาจยิ่งกว่าความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะความอยากทำบาปมันมีโทษตามมาด้วยทำบาปแล้วมันจะทำให้ใจนี้ต้องไปติดอยู่ในอบายเหมือนไปติดคุกเนี่ยติดตารางเหมือนคนที่ทำผิดกฎหมายถ้าถูกจับก็ต้องไปติดคุกติดตาราง แต่ถ้าไม่ทำผิดกฎหมายหากินโดยอาชีพจุดจริตก็จะไม่ถูกจับไปติดคุกติดตารางถ้าขายยาบ้าขายยาเสพติดขาประเวณีหรือทำอะไรผิดกฎหมายเปิดบ่อนเปิดซ่องอย่างนี้เดี๋ยวตำรวจเขาก็มาจับเข้าไปขังคุกขังตารางได้นี่คือเรื่องของการรักษาศีลเพื่อกำจัด การกับความอยากกระทําในสิ่งที่สร้างความทุกข์สร้างความเสียหายให้แก่จิตใจนั่นเองทุกส่วนตรงนี้เกิดจากการกระทําบาปของพวกเราเองถ้าเราไม่ทําบาปทุกส่วนนี้จะไม่เกิดถ้าเรารักษาศีลได้ความทุกข์ใจที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปด เดินเสรายาเมานี้มันจะไม่เกิดขึ้นมาในใจของเราอันนี้ก็เป็นวิธีขั้นที่สองของการที่เราจะกาจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานี้ให้มันลดน้อยลงไปการทำทานการรักษาศีลนี้ยังไม่สามารถกาจัดความอยากต่างๆให้มันหายไปอย่าง หมดเส้นได้อย่างราบคาบมันเป็นเหมือนกับการตัดกิ่งไม้ตัดใบไม้ของต้นไม้ตัดกิ่งไม้ตัดใบไม้ต้นไม้ยังไม่ตายเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวกิ่งไม้กใหม่ก็โผล่ออกมาใบไม้ใหม่ก็โผล่ออกมาได้แต่มันเป็นขั้นตอนของการตัดไม้ต้องตัดส่วนที่ง่ายก่อน เพื่อที่จะเข้าไปสู่ส่วนที่ยากต่อไปได้คือตัดลำต้นตัดลำต้นเสร็จก็ยังต้องถอนรากถอนโคนของต้นไม้ขึ้นมาอีกเพราะถ้าตัดลำต้นแล้วถ้ายังมีรากติดอยู่ในดินเดี๋ยวมันก็โผล่ไม้มันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอยากจะให้ไม้มันตายอย่างราบคาบก็ต้องถอนรากถอนโคนของต้นไม้ขึ้นมาจากดิน ตันหาความอยากมันก็เป็นเหมือนต้นไม้มันมีใบมีกิ่งมีก้านมีลาต้นและมีรากการใช้ทานศีลภาวนานี้ก็เป็นเหมือนกับการตัดต้นไม้ตัดต้นของความอยากต่างๆนี้เองตัดใบตัดกิ่งตัดต้นถอนรากถอนโคนทําทานก็เหมือนกับการตัดใบ รักษาศีลก็เหมือนกับการตัดกิ่งไม้ภาวนามีอยู่สองระดับคือสมถ า, าวนาและวิปัสสนาภาวนาสมัตถาวนาก็เหมือนกับตัดต้นไม้วิปัสสนาภาวนาก็เหมือนกับถนนน อ, นบอนรากของต้นไม้ออกจากดินพอถอนรากออกจากดินแล้วทีนี้ต้นไม้นั้นก็จะตายไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นมาได้ต่อไป ตันหาความอยากก็เหมือนกันตอนต้นเราก็ตัดมันด้วยการทำทานเวลาอยากที่จะไปเที่ยวอยากที่จะใช้เงินกับสิ่งที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้เรียกว่าใช้ตามความอยากอันนี้ต้องหยุดมันหยุดด้วยการเอาเงินที่จะไปใช้นี้ไปทำบุญทำทานเสียเพราะถ้าถ้าเงินมันอยู่ใกล้มือเดี๋ยวมันทนไม่ไหวสู้ไม่ไหว ถ้ามีเงินแล้วเดี๋ยวมันต้องไปทําตามความอยากแต่ถ้าไม่มีเงินที่จะไปใช้กับความอยากอยากยังไงมันก็ไปไม่ได้แล้วนะอยากจะไปเที่ยวแต่ไม่มีเงินไปเที่ยวมันก็ไปไม่ได้อยากจะซื้อกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าแต่ถ้าไม่มีเงินซื้อมันก็จะซื้อไม่ได้ถ้ามีเงินก็อยากเก็บเอาไว้เงินที่จะไปใช้ตามความอยากอยากเก็บเอาไว้เอาไปทาบุญทาทานเสีย เก็บไว้แต่เงานที่ต้องใช้กับของจําเป็นเช่นอาหารยารักษาโรคหรือจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าบ้านถ้าไม่มีบ้านเองก็ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านเงินทางเหล่านี้เก็บไว้ได้ไม่มีปัญหาถ้าเรารู้จักแยกมันออกเป็นสัตว์เป็นส่วนมาส่วนนี้ใช้กับสิ่งที่จําเป็นห้ามม า, าไปใช้กับความอยากส่วนที่จะไปใช้กับความอยากเอาไปทําบุญแทนไม่ให้ ไปทําตามความอยากแล้วความอยากมันจะถูกตัดกําลังลงเหมือนกับต้นไม้เมื่อตัดใบไม้ลงตัดกิ่งลงนี่มันจะเจริญ ง, งอกงามใหญ่โตขึ้นมาไม่ได้แล้วมันเริ่มถูกตอนแล้วอย่างที่เขาบอนใส่ต้นไม้เห็นไหมต้นไม้ต้นเล็กๆของมันอยู่อย่างนั้นอนะ่ะเพราะเขาคอยตัดกิ่งตัดใบมันไม่ให้มันงอกงามขึ้นมาเกินเกินตัวเกินที่ขนาดที่เขาต้องการ เราสามารถควบคุมการมตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาได้ด้วยการใช้การทำบุญทำทานเป็นเครื่องมืออันดับแรกเป็นการหยุดการเจริญแต่ยังไม่ฆ่ามันหยุดการเจริญก้าวหน้าของตัญหาทั้งสามไม่ให้มันเจริญมากไปกว่า น, นี้ได้เงินมามากเกินความจำเป็นไม่เก็บเอาไว้ ถ้าเก็บเาไว้เดี๋ยวมันจะโลภถึงแม้ไม่ได้ใช้มันกรยาโลภอยากให้มันได้มากกว่านั้นมีล้านก็อยากจะมีสิบล้านมีสิบล้านก็อยากจะมีร้อยล้านทันทั้งที่ได้มาแล้วก็ไม่ได้เอาไปใช้เลยเอาไปเก็บไว้ในธนาคารดูเล่นเท่านั้นเองเห็นยอดบัญชีว่าโอวันนี้สูงขึ้นสูงขึ้นก็เกิดความสุขใจแล้วจากการที่ได้เงินมาเพิ่ม อันนี้เราต้องกำจัดความอยากแบบนี้ด้วยการที่ไม่ให้มันมีเงินมากเกินต่อความจําเป็นที่จะต้องมีมีเงินไว้ใช้กับส่วนที่จําเป็นจะต้องใช้ประจําวันประจําเดือนแล้วมีส่วนหนึ่งเก็บไว้ในอนาคตเผื่อไม่สบายเผื่อเจ็บไข้ได้ป่วยเผื่อตกงานไม่มีไรายได้ ก็จะได้อาศัยเงินที่เราเก็บไว้สำรองนี้มาดูแลเราต่อไปส่วนถ้ามีเกินนั้นจะเอาเงินส่วนนี้ไปใช้ตามความอยากนี้ต้องเอาไปใช้กับการทำทานอย่างเดียวอยากไปเที่ยวเช่นปีใหม่นี้กะจะไปเที่ยวเมืองนอกสักสี่ห้าวันก็เอาเงินที่จะไปเที่ยวเมืองนอกนี้ไปทำบุญทาทานแทนแล้วต่อไปความอยากไปเที่ยวมันจะหายไป ถ้าไปเที่ยวปีนี้เดี๋ยวปีหน้าก็อยากจะไปเที่ยวอีกเลยบางทีไม่ถึงปีหน้าเดือนหน้ามันก็อยากจะไปอีกแล้วเพราะว่าเวลามันไม่ได้ไปมันรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจเวลาเกิดความอยากไปพอได้ไปก็เรารู้สึกดีอกดีใจชั่วข่าวพอกลับมาบ้างความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปหมดแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากไปเที่ยวใหม่อีกอยู่เรื่อยๆมันจะทําให้เรา ต้องดิ้นหาเงินหาทองกันอยู่เรื่อยๆการหาเงินหาทองก็จะบังคับให้เราหามากๆหาง่ายๆหาเร็วๆก็ต้องหาแบบวิธีไม่สุจริตต้องหาวิธีช่อโกงหาโดยวิธีช่อโกงหลอกลวงเป็นต้นหรือทำผิดอย่างอื่นบางคนก็มีอาชีพค้าประเวณี บางคนก็ใช้อาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเพื่อให้เพิ่มรายได้ขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดถ้าเราไม่ควบคุมการใช้เงินทองตามความอยากด้วยการใช้ทานเป็นวิธีหยุดความอยากเหล่านี้ทำทานเพื่อจะเอาเงินไปใช้ตามความอยากเอาไปใช้กับการมาตันหาภวะตัญหาหรือวิภาวะตัณหาก็เท่ากับการไป ไปส่งเสริมให้การมาตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหามีแรงมากขึ้นนั่นเองพอเที่ยววันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะมีแรงอยากจะเที่ยวเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราไม่ไปเที่ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ความอยากเที่ยวมันก็จะน้อยลงไปทุกครั้งที่อยากจะเที่ยวทุกครั้งที่อยากจะเอาเงินไปเที่ยวไปใช้ตามความอยากเอาไปทาทะ พอทำทางแล้วต่อไปความอยากเที่ยวอยากใช้เงินตามความอยากมันจะค่อยอ่อนลงไปอ่อนลงไปต่อไปจะรู้สึกเฉยเฉยไม่ไปเที่ยวก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่ได้ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใดเพราะมันเป็นของไม่จำเป็นมีไม่มีมันเท่ากันมีหรือไม่มีมันไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนแล้วเราไปมีมันทำไมเพราะมีแล้วมันทาให้เราเดือดร้อนเพราะมันติด มันอยากจะมีเรื่อยๆอยากจะได้มาใหม่เรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ไปมีมันเสียแต่ตน้นมันก็จะอยู่เฉยๆไม่ต้องมีอะไรก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนผู้ที่เดือดร้อนคือร่างกายร่างกายถ้าเขาได้รับปัจจัยสี่เขาก็ไม่เดือดร้อนแลแต่ถ้าเราทำทานได้เราก็ไม่ต้องดินหาเงินหาทองทําทำงานแบบสบายหาเงินหาทองแบบสบายได้มากได้น้อยก็ ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราพอเลี้ยงเพราะเรารู้ว่าพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราได้เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําบาปจะทําให้เรารักษาศีลกันได้รักษาศีลห้าได้ละเว้นอบายามุขได้ะรักษาไม่ทําบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพอบายามุข ค, คือสุราดื่มสุราเล่นการตานานเที่ยวกลางคืน คบคนชอบอบายามุกเป็นมิตรและความเกียดคา้านอบายามุกเหล่านี้มันจะไม่เราจะไม่ไปเกี่ยวข้องเพราะเรารู้ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยเหมือนงูพิษเราไม่เราไม่เข้าใกล้งูพิษเราต้องแยกงูพิษกับเราให้อยู่ห่างกันต้องจับงูพิษขังไว้ในกล่องไม่ใช่เราจะปล่อยให้งูพิษมา ยุมย่ามาอยู่กับเราอบายามุกนี่เหมือนงูพิษเพราะถ้าเราไปยุ่งกับอบายามุกแล้วเดี๋ยวมันจะกัดเรามันจะทำให้เราทำบาปกันนั่นเองพอทำบาปแล้วมันก็เราก็จะถูกกัดเราก็ต้องเจ็บปวดด้วยการด้วยความทุกข์ทางใจทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปแล้วนั่นเองอนี่คือขั้นที่สองในการกาจัดความทุกข์ ที่เกิดจากการไม่รักษาศีลถ้ารักษาศีลแล้วความทุกข์ที่เกิดจากการไม่รักษาศีาศาศ hi, ลจะหายไปถ้าทำทานแล้วความทุกข์ที่อยากจะใช้เงินตามความอยากก็จะหายไปเพราะจะไม่มีความอยากใช้เงินตามความอยากนั่นเองนี่คือวิธีตัดความอยากต่างๆ ต, ต, ตัดกามาตัานหาภาวะตันหาวิภวะตันห า, นหาให้มันเบาบางลง แต่ยังไม่ได้กำจัดมันอย่างอย่างถาวรลดกำลังมันเหมือนกับต้นไม้ถ้าเราตัดกิ่งตัดก้านตัดใบแล้วมันจะไม่เจริญงอกงามนะแต่มันยังไม่ตายเท่านั้นเองถ้าเราอยากจะให้มันตายหลังจากตัดกิ่งตัดใบแล้วเราก็ต้องมาตัดต้นตัดลาต้นอันนี้ก็เหมือนกันหลังจากที่เราตัดกิ่งตัดใบของตันหาทั้งสามนี้แล้ว เราก็ต้องมาตัดลำต้นวิธีตัดลำต้นของตันหาทั้งสามนี้ก็คือการใช้สมถภาวนาสมถะแปลว่าความสงบทาใจให้สงบภาวนาคือการควบคุมใจการภาวนานี้เรียกว่าเป็นการควบคุมบังคับใจให้เข้าสู่ความสงบด้วยการใช้สติเป็นเครื่องมือ พอสติเท่านั้นที่จะสามารถควบคุมบังคับใจให้เข้าสู่ความสงบได้วิธีสร้างสตินี้ก็มีอยู่สี่สิบวิธีด้วยกันเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบเช่นพุทธานุสติก็คือเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธนี้ก็จะสามารถควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบได้หรือธรรมานุสติกาใเราเลกถึงพระธรรมคําสอน หรือชื่อของพระธรรมเช่นธรมโมธรรมโมธรรมโมไปสังโคก็สังขานุสติถ้าคิดถึงความตายว่าเกิดมาแล้วเดี๋ยวต้องตายต้องตายต้องตายก็เป็นมรณานุส ต, ต, ต, ติพอคิดถึงความตายแล้วใจมันจะสงบง่ายเพราะมันมันมันไ ม, ม, นไม่มันไม่อยากไปทําอะไรแล้วเพราะถ้ารู้ว่าเดี๋ยวก็ต้องตายทําไปให้เหนื่อยทําไม หาเงินมาให้เหนื่อยซื้อข้าวซื้อของมาให้เหนื่อยทำไมตายไปคนอื่นก็เอาไปกินหมดซื้อรถซื้อคอนโดพอรู้ว่าจะตายมันก็เดี๋ยวก็คนอื่นก็เอาไปหมดซื้อเอาเงินไปทำบุญดีกว่าเพราะเงินเอาติดตัวไปได้บุญเอาติดตัวไปได้นี่คือมรณานุสติให้เรเลึกถึงความตายก็ได้อันนี้ต้องเลือกเอาที่มันเหมาะกับจิตใจของเรา เพราะจิตใจของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนจิตใจอ่อนบางคนจิตใจแข็งคนจิตใจอ่อนมาให้นึกถึงความตายเดี๋ยวเป็นนมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กล้าทำอะไรหมดหมดกาลังถ้าถ้านึกถึงความตายแล้วทำให้ใจหดหห่ก็อย่าใช้ความตายให้ใช้อย่างอื่นให้ใช้พุทธโธ พูดโธพอพูดโธพูดโทรกิดถึงพระพุทธเจ้าแล้ ว, ลวรู้สึกมีกำลังจิตกำลังใจขึ้นมานกมารกรรมฐานสี่สิบนี้จึงเป็นเหมือนยาสี่สิบชนิดที่ใช้รักษาโรคกันเดียวกันคือความไม่สงบแต่คนที่มารักษานี้มีต่างกันมีเด็กมีผู้ใหญ่มีผู้หญิงมีผู้ชายมีคนแก่คนหนุ่มปริมาณของยาชนิดของยาอาจจะต้องต่างกันไป ใช้แบบเดียวกันไม่ได้เอาปริมาณของยาที่ใช้กับผู้ใหญ่ไปใช้กับเด็กมันก็แรงเกินไปเอาของเด็กมาใช้กับผู้ใหญ่มันก็อ่อนเกินไปกำลังไม่พอจึงมีกรรมฐานอยู่สี่สิบชนิดมีอุบายกรรมฐานนี่คืออุบายที่จะทำให้ใจสงบในในอนุสติก็มีอยู่สิบชนิดด้วยกันเช่นพุทธานุสติเราเลกถึงพระพุทธเจ้า ธรรมานุสติเราเลิกถึงพระธรรมคำสอนสังขานุสติเราเลิกถึงพระอริยสงสารมรณะนุสติเราเลิกถึงความตายเทวานุสติเราเลิกถึงเทวดาบางคนรักเทวดาเขารบเทวดาชอบเทวดาพอนึกถึงเทวดาที่ตนรักที่ชอบก็ทําให้ใจสงบได้บางคนชอบพระพุทธเจ้าเขารบในพระพุทธเจ้า พอเราเลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ทำให้ใจสงบได้บางคนก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเช่นชาวต่างชาติเขาเกิดมาเขาไม่ได้ถูกสอนให้ให้รักเคารพพระพุทธเจ้าให้เขาใช้พุโทโธเขาก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์แต่เขาเกิดมาเขามีลมหายใจก็ให้เขาเ ล, ลึกถึงลมหายใจเขาออกแทนก็ได้พอเขาเ ล, ลึกถึงลมหายใจเขาออกใจเขาก็สงบได้ แล้วถ้าเวลาที่เขาไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆดูลมไม่ได้ก็ให้ก็ดูร่างกายของเขาเอาลักร่างกายของเขาให้เฝ้าดูร่างกายของเขาอันนี้ก็เรียกว่ากายะกตาสติการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวาการกระทาอะไรต่างๆของร่างกายเรียกว่ากายะกตาสติเป็นการสร้างสติเพื่อให้ใจหยุดคิดเพื่อให้ใจสงบนั่นเอง ตาใจเราจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทำต่างๆของร่างกายเช่นกำลังแปลงฟันก็ให้อยู่กับการแปลงฟันอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับเรื่องของการแปลงฟันอย่างเดียวกำลังหวีผมก็ให้ดูการหวีผมคิดอยู่กับเรื่องของการหวีผมเวลาอาบน้ำก็เหมือนกันเวลาเดินก็เหมือนกันเวลากินก็เหมือนกัน แม้กระทั่งเวลาหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวายกแขนยกขาขึ้นมาก็ให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้ถ้าเราผูกใจติดไว้กับร่างกายมันจะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้เมื่อมันไม่คิดเรื่องอื่ น, ม, นมันก็จะว่างมันก็จะสงบได้เรียกว่ากายกตาสติหรือถ้าดูลมหายใจเข้าออกเราก็เรียกว่าอนาปณาาสติ อาณาปานะแปลว่าลมเข้าลมออกนี่เองสติก็คือให้เราเลึกรู้อยู่กับลมเข้าลมออกอย่าไป เ, เลึกรู้อยู่กับเรื่องอื่นแล้วถ้า เ, าเลิกรู้อยู่กเรื่องอื่นเดี๋ยวใจจะฟุง้งซ่านไปเลิกถึงเงินถึงทองถึงแฟนถึงลูกเดี๋ยวใจก็วุ่นวายขึ้นมาเดี๋ยวก็วิตกกังวลห่วงใ ย, ยตอนนี้ลูกอยู่ที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนกับใครหรือเปล่าไปมีอันตรายอะไรหรือเปล่า มันจะทำให้คิดพุ้งซ่านไปเราจรึงต้องมีกรรมฐาน40ชนิดด้วยกันแต่ไม่ต้องใช้ทั้ง40ชนิดให้เลือกใช้เอาชนิดใดชนิดหนึ่งที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เรากําลังทำอยู่ในตอนนั้นถ้าเราใช้ร่างกายก็เหมาะกับการเวลาที่ร่างกายเราเคลื่อนไหวถ้าเราใช้ลมหายใจก็เหมาะตอนที่ร่างกายนั่งเฉย เพราะการจะดูลมในขณะที่ร่างกายมีการเคลื่อนไหวมีการทําอะไรนี้มันดูยากลมมันของละเอียดกว่าร่างกายดูร่างกายมันง่ายกว่าสบายกว่าก็ให้เกาะติดอยู่กับร่างกายเวลาร่างกายมีการเคลื่อนไหวพอเวลานั่งหลับตานั่งขัดสมาธิหลับตาทีนี้ก็ดูลมหายใจเข้าออกไปถ้าไม่ถูกกระลมถูกกับพุธโธก็ใช้พุธโธแทนไปบริกรรมพุธโธพุทโธไป พุทโธนี้ใช้ได้ทั้งขณะที่ร่างกายเคลื่อนไหวใช้ได้ทั้งขณะที่นั่งอยู่เฉยๆใช้ได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาพอมันจะไปใจจะไปคิดที่นั่นเรื่องนั้ น, เ ร, น, นเรื่องนี้ก็ดึงมันกลับมาให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธไปออย่าให้มันคิดเพราะคิดแล้วมันจะไม่สงบถ้าต้องการให้ใจสงบเราก็ต้องพุทโธพุทโธไปทําไมเราต้องทําใจให้สงบ เพราะเวลาทำใจให้สงบเราจะหยุดความอยากต่างๆได้นั่นเองเป็นเหมือนกับการตัดโคนต้นไม้ตัดต้นไม้ตัดลำต้นของเขาต้นไม้ทีนี้ต้นไม้จะเจริญเติบโตขึ้นมานิยากยังมันยังงอกอยู่มันยังงอกมาได้เพราะรากมันยังมีอยู่ในดินแต่มันจะมาโตใหญ่แบบที่มันเคยเป็นนี่ยากที่จะเป็นไปได้ตันหาความอยากก็เหมือนกันถ้าเราใช้สมาธิตัด ํำต้นมันได้มันจะมีกำลังมากเหมือนเมื่อก่อนนี้ไม่ได้นะถ้ามีสมาธินี่ความอยากนี้มันจะถูกตัดกำลังไปเกือบหมดเลยแต่มันยังไม่ตายเท่านั้นเพราะเวลาออกจากสมาธิมานี่พอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวความอยากก็โผล่ขึ้นมาได้ใหม่ถ้าอยากจะให้มันหายไปหมดถึงต้องใช้ขั้นที่สองของการภาวนา ที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาถ้าเราชํานาญทางสมถะภาวนาแล้วพอออกจากวิปัสสนาภาวนามาแทนที่เราจ ะ, จะเจริญสติเราก็มาจเจริญปัญญาแทนพอมันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ให้ใช้ปัญญาเข้ามาหลังง่งละมันปัญญาคืออะไรปัญญาก็คือการเห็นใตรักนี้เอง S <S <an> <S เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นมันจะให้ความทุกข์กับเราไม่ใช่ให้ความสุขกับเราแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาเรากลับไปเห็นว่าสิ่งต่างๆจะให้ความสุขกับเราอยู่คนเดียวแล้วเหงาพอได้แฟนแล้วจะให้ความสุขกับเราแต่แฟนมันจะไม่ให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวสินอกจากความสุขแล้วเดี๋ยวมันจะมาทำให้เราทุกข์ เวลาที่เขาเปลี่ยนไปเวลาที่เขาไม่รักเราเวลาที่เขาไม่ซื่อสัตย์กับเราความสุขที่เคยได้จากเขาก็จะหายไปสิ่งที่จะได้กลับมาก็เป็นความทุกข์น้ําตาตกในห่วงใยกินไม่ได้นอนไม่หลับเขาไปไหนไม่รู้ไม่นอนกับใครที่ไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปเที่ยวกับใครที่ไหนก็ไม่รู้เขาก็บอกว่าไปทํางานแต่ไม่รู้ว่าทําจริงหรือเปล่าอันนี้ มันจะทำให้เราทุกข์เนี่ยถ้าเราพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่ามันจะให้ความสุขกับเรามันจะให้เฉพาะเป็นช่วงแรกๆเท่านั้นเองช่วงที่เราได้เขามาใหม่ๆแ้วต่อไปเขาจะเปลี่ยนไปเขาจะเสื่อมเขาจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเขาจะแทนที่จะให้ความสุขกับเราเขาจะด่าเราว่าเราตาหนิติเดียนเรา เวลาได้กันมาใหม่ๆชมกันโอ้ยหวานอย่างนั้นหวานอย่างนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พออยู่กันไปสักพักดาแล้วสิไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้วุ่นวะ่ะอันนี้ไม่คิดกันคิดว่าจะหวานกันไปตลอดอะลยต้องหวานอมขมเกินไปต่อไปพอเวลามันขมก็มจะทําไงบ้วนทิ้งก็ไม่ได้จะหย่า ก, กันจะเลิกกันก็ไม่ได้เพราะยังเสียดายของหวานอยู่เออ ทิ่แต่มันมีขมตามมาด้วยบางวันก็หวานบางวันก็ขมก็เลยหวานอมขมเกินไปอยู่อย่างนั้นนี่คือสิ่งต่างๆจะเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรามันจะกลายเป็นความทุกข์มันมีความทุกข์ตามมาเพียงแต่เราไม่คิดถึงมันเท่านั้นเองเวลาที่เราอยากได้มันเราจะมองด้านเดียวมองด้านความสุขเราจะไม่มองด้านความทุกข์ที่มันติดมา เหมือนกับเหรียญเนี่ยเหรียญมันมีสองด้านใช่ไหมมีหัวกับก้อยแต่เราจะคิดว่ามันจะเป็นหัวทั้งสองหัวทั้งสองด้านมันไม่ใช่หรอกพอเราพลิกมันกลับมาอีกด้านหนึ่งอ้าวมันไม่ใช่หัวเราเนี่ยมันกลายเป็นก้อยแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเราคิดว่ามันจะเป็นสุขตลอดแต่พอมันพลิกกลับมาอ้ามันไม่ใช่สุขแล้วเนี่ยมันกลายเป็นทุกข์ไปเสียแล้วนี่คือปัญญาถ้าเรามีปัญญาเห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่กามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาต้องการมันจะทำให้เราน้ำตาตกในมันจะทำให้เราต้องร้องหม่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเราก็ไม่เอาดีกว่าเหมือนกับเครื่องดื่มถ้าเขาติดคำเตือนว่าระวังดื่มแล้วเป็นมาดแดงนี้เราจะกล้าดื่มกันไหมไม่กล้าดื่มที่เราก้าเดิมกันเพราะเขาไม่ได้ติดเขาหลอกเราเขาต้องการขายเครื่องดื่ม ถือแม้เราจะเป็นมะเร็งเขาก็ไม่บอกเราแต่ต่อมามีคนฉลาดเอาไปศึกษาเอาไปพิสูจน์ว่าเครื่องดื่มชนิดนี้ดื่มแล้วเดี๋ยวไม่ช้าต้องเป็นมะเร็งพอมาติดป้ายระวังอันตรายดื่มเครื่องดื่มชนิดนี้แล้วจะเป็นมะเร็งจะมีใครกล้าดืม่มไหมไม่ดืม่มหรอกอันนี้พวกเราก็เหมือนกันไม่เห็นป้ายอันนี้จังทุกขังอนัตตาที่ติดอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้กันพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามา ผลิตป้ายนี้กันมาผลิตอันนี้จังทุกขังอนัตตากันพออยากได้ลาบยศสารเสิญก็เอาไปปะไปเลยลาบยศสารเสิญสุขนี้เป็นทุกขเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาอยากได้คนนั้นคนนี้ก็ปะไปเลยเป็นทุกขอยากได้ลูกก็เป็นทุกอยากได้อะไรเป็นทุกทั้งนั้นอ่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นของที่มาสลับไปสลับกันไปสลับกันมา มันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มันไม่มีสุขอย่างเดียวถ้าคิดว่าจะได้สุขอย่างเดียวก็จะผิดหวังเพราะเดี๋ยวความทุกข์มันก็จะโผล่ขึ้นมานี่คือปัญญาหรือวิปัสสนาภาวนาให้เห็นความเป็นจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ว่ามันเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาแล้วมันจะทาให้เราระงรับความอยากทั้งสามนี้ได้อันนี้จะระงรับแบบถาวร เหมือนทอนลากของต้นไม้ขึ้นมาจากดินพอเห็นด้วยปัญญาแล้วความอยากจะหดหายไปหมดจะไม่ไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ต่อไปแต่ถ้ามันถูกกดไว้ด้วยสมาธิพอมันออกจากสมาธิ ม, มันเห็นอะไรมันก็จะอยากได้ขึ้นมาทันทีแต่พอมีปัญญามากำกับอีกทีว่ามันเป็นตายักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็บอกใบายอยู่คนเดียวดีกว่า อยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบดีกว่านี่แหละคือการสร้างที่พึ่งของใจด้วยการเอาใสยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สั่งผู้สอนพอเราได้กำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราหมดไปแล้วเราก็พ้นจากภัยทั้งปวงเราก็ไม่ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไป เหมือนเด็กไม่ต้องพึ่งพ่อแม่แลวเวลาให้เขาโตแล้วเรียนจบแล้วทํางานได้แล้วทีนี้เขาไม่สนใจพ่อแม่แล้วทันใดใจก็เหมือนกันพอใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วไม่สนใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แะ้วจะคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่ก็ไม่สําคัญจะมีอยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่ก็ไม่สําคัญแต่ไม่ลบหลู่ไม่ลืมบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แต่ไม่พึ่งไม่อาศัยเหมือนตอนที่ยังพึ่งตนเองไม่ได้นี่แหละคืออัตตาหิอัตนโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนจะเป็นได้ก็ต่อเมื่อได้กาจัดตัณหาทังสาให้หมดไปจากใจทำให้ตนเองได้กลายเป็นพระอาหารหันตสาวก ข, ขึ้นมาพระอาหารหันต์นี้ไม่พึ่งอะไรแล้วแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่พึ่งภาษารีบุตรนี่ตอเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าไม่ต้องพึ่งพระพุทธเจ้าแล้ว เมื่อก่อนข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องพึ่งพระพุทธเจ้าต้องคอยติดตามคอยฟังคําสั่งคําสอนแต่ตอนนี้ข้าพเจ้าไม่ต้องพึ่งพระพุท ธ, ทธเจ้าแล้วนี่ไม่ได้พูดด้วยความประมาทพูดตามความเป็นจริงของจิตใจที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆผู้ที่ได้กําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเมื่อไม่มีความทุกข์จะต้องไปพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่ออะไร ก็เหมือนคนที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะไปพึ่งยาทําไมคนที่จะพึ่งยานั้นต้องเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยพอไม่สบายนี่รีบวิ่งเข้าหาโรงพยาบาลหาหมอกันใหญ่พอหายปั๊บนี่วิ่งกลับบ้านกันเลยทิ้งโรงพยาบาลไม่อยู่ในโรงพยาบาลอีกต่อไปฉันใดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นที่พึ่งทางใจเป็นเหมือนยาเป็นเหมือนโรงพยาบาลแต่พอใจไม่ทุกข์ใจก็ไม่ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไป นี่แหละคือที่พึ่งที่ทดีที่สุดก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สั่งผู้สอนให้สร้างที่พึ่งอันนี้ขึ้นมาดังนั้นขอให้พวกเราที่ยังไม่เป็นที่พึ่งของตนขอให้ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ให้แนบนน้นที่สุดเพราะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นที่จะสอนให้เราเป็นที่พึ่งของเราได้ต่อไป การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร <c oughs> ยะทาวเรวาหาปุราปะริปุเลนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกบปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเเมวะสมิจจตุ สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยทามนิโชติอะโสยทาสพีติโยวิวาจันตุสัพพารุโควินัสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะ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 ถ้าอยากจะถามเองก็ขึ้นมาที่ศาลาจะมีไมโครโฟนให้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีเข้ามาเท่าไหร่วันนี้ยอดทางเฟ e บุ o k มีสองร้อยเก้าสิบสองท่านค่ะ y o u t u หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าวิทยุออนไลน์ยี่สิบเจ็ดผู้รับฟังบนเข่าหนึ่งร้อยสามสิบห้าท่านรวมเป็นหกร้อยสามท่านค่ะ มีคำถามก็อ่านได้เลยมีคำถามจาก YouTube นะคะจากคุณชาติตีนีโยมรู้สึกว่าสุขจากการให้ทานจะให้ผลเร็วให้ปุ๊บสุขปับ๊บแล้วก็หายไปเร็วต่างกับสุขจากการภาวนาซึ่งต้องใช้เวลากว่าจะสงบแต่ความสุขนั้นจะติดกับใจนานกว่าการทำทานไม่ทราบโยมรู้สึก รู้สึกถูกไหมแล้วทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคะก็มันมีเหมือนอาหารเนี่ยอาหารแต่ละชนิดมีน้ำหนักไม่เท่ากันกินอาหารบางอย่างกินปุ๊บเดี๋ยวเดียวก็หิวแล้วกินขนมถ้ากินอาหารหนักกินก็มันจะอยู่ได้นานบุญก็มีสามระดับทานศีลภาวนามีความหนักตามลําดับไป ทานน้อยกัศีลศีล น, น้อยกับภาวนาคำถามต่อไปจากคุณสุซูชิมินมัศการเจ้าค่ะขอเรียนถามว่าสัจธรรมกับอริยรรสัจสี่คืออย่างเดียวกันหรือเปล่าเจ้าค ะ, ะเดียวกันเนี่ยสัจธรรมก็มีทั้งตายรักด้วยอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาทุกขังก็คืออริยสัจสี่ ทุกสมุทัยน้โรธมากมันก็เป็นเหมือนกับห่วงสองห่วงติดกันอยู่ห่วงไตลักษ์ห่วงหนึ่งห่วงอริยาศาสตร์ห่วงหนึ่งมันติดกันติดมันเชื่อมกันที่ตัวทุกข์ในอริยาศาสตร์ก็มีทุกข์ในไตลักษ์ก็มีทุกข์คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะลูกเข้าใจและเห็นความทุกข์ ในทุกสิ่งที่เราได้มาตามที่พระอาจารย์สอนแล้วโดยทบทวนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็เห็นตามนั้นว่าจริงแต่ทำไมจึงยังตัดสินสิ่งต่างๆไม่ขาดคะเพราะทานศีลภาวนายัางมีน้อยเหมือนยากินยาน้อยเชื้อโรคมันอะไยังไม่ตายอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้ยังไม่หายต้องเพิ่มยา เพิ่มยาให้มันเต็มร้อยทานต้องทำเต็มร้อยศีลต้องรักษาเต็มร้อยภาวนาต้องภาวนาเต็มร้อยแล้วเทนี้ความทุกข์ต่างๆความอยากต่างๆมันจะหายไปหมดคำถามจากคุณยิ่งพันกราบพระอาจารย์ครับเมื่อมองเห็นความโกรธเกลียดในใจก็เห็นชัดว่าใจเป็นทุกข์ร้อนอาจจะได้อาจละได้ง่าย แต่เวลาเกิดการราคะมองเห็นแต่ความสุขอยากได้ความสุขมองไม่เห็นว่าใจจะทุกข์อย่างไรทำให้หลงทำตามความอยากในการราคะทำอย่างไรจึงจะตัดใจจากการราคะได้ครับสุขแบบไหนที่อันตรายสุขแบบไหนที่ปลอดภัยครับก็สุขที่ได้จากสิ่งต่างๆอันตรายเพราะสิ่งต่างๆมันไม่เที่ยง เวลามันอยู่กับเรามันก็ให้ความสุขกับเราเวลามันจากเราไปมันก็จะให้ความทุกข์กับเราสุขที่อยู่กับเราไปตลอดก็คือความสงบที่เกิดจากการภาวนาส ม, มถาภาวนาวิปัสนาภาวนาจะสร้างความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่จะไม่มีวันจากเราไปถ้าอยากจะได้ความสุขที่แท้จริงต้องมาหัดภาวนากัน มารักษาศีลกันมาสละเงินทองที่เอาไปใช้กับความอยากต่างๆไปคันถามจากคุณอุบาสกพงศ์กระผมขอกราบเรียนถามสองคันถามครับข้อหนึ่งซื้อหวยเป็นการพนันไหมครับก็แล้วแต่ว่าซื้อแบบไหนซื้อแบบเอาเป็นเนาตายก็เป็นการพนัน มีเงินทองก็หวังได้จากการเล่นหวยก็เรียกว่าเป็นการพนันแต่ซื้อแบบพอหอมปากหอมคอเพื่อบุญเก่ามันจะหาทางออกมันไม่มีทางออกก็ต้องหาช่องให้มันออกมาทะานหน่อยก็ซื้อสักใบสองใบถ้ามันจะถูกรางวัลที่หนึ่งใบเดียวมันก็ถูกไม่ต้องซื้อร้อยใบซื้อร้อยใบเป็นแบบเล่นการพนันแบบเอาเป็นเอาตายกัน ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะตายกันมากกว่าเป็นพราจะเจ๊งจะขาดทุนกันเรียกว่าเล่นการพนันเล่นแบบเอาเป็นเอาตายเล่นแบบเหมือนกับเป็นอาชีพเป็นที่พึ่งของของตนเป็นอาชีพเป็นไรายได้อย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นการพนันแต่ถ้าเล่นพอหอมปาก้อมคอพอสนุกหรือคิดว่าเป็นการทําบุญทําทานไปเพราะเงินที่ทาบซื้อลอตเตอรี่เงินที่เขาได้กําไรไปเขาก็เอาไปทําบุญต่อะ คำถามข้อที่สองพระโสดาบันท่านยังมีความอยากอยู่แต่ความอยากของท่านอยู่ในขอบเขตของศินห้าและรละัศยโยตสามได้ถ้ายังซื้อหวยอยู่ก็ยังไม่ใช่พระโสดาบันใช่ไหมครับก็ไม่ใช่หรอกพระโสดาบันไม่รู้จะเอาเงินทองไว้ทาไมแม้แต่ร่างกายท่านยังบริจาคท่านและยังสละได้ตัดได้ เ ร, เรื่องการโกหกอดอยากขาดแคลนนี่ถ้าไม่กลัวท่านตาย ท, าท่านยินดีตายท่านไ ม, ไม่กลัวเรื่องของความตายความอดอยากขาดแคลนไม่ต้องไปแทงหวยเพื่อหาเงินทองมาซื้อข้าวของกินท่านทำงานทำการตามปกติก็เหลือกินเหลือใช้อยู่แล้วคาถามจากบนเขากราบนมัสการพระอาจารย์ยมฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธา หัดภาวนาและเริ่มถือศีลแปดแต่พอเราปฏิบัติมาเกิดความพอใจอยากออกบวชแต่มีครอบครัวถ้าเราอยากออกบวชเราจะเป็นการเห็นแก่ตัวไหมเพราะทิ้งภาระให้ผู้เป็นสามีต้องรับผิดชอบดูแลลูกมีคนบอกว่าถ้าเรามีบุญบวชถึงเวลาเราก็จะได้บวชจริงไหมเจ้าคะถ้ามันถ้ามันจะบวชมันถึงเวลามันก็ได้บวช ถ้ามันไม่บวชมันถึงเวลามันก็ไม่ได้บวชเพรานั้นมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่เราส่วนใหญ่อยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะจัดการกับการไปบวชของเราได้หรือไม่ทุกคนสามารถไปบวชได้ไม่ว่าจะมีอะไรมากน้อยเพียงไรอยู่ที่ว่าตัดได้หรือเปล่าปล่อยเขาได้หรือเปล่าถ้ายังปล่อยให้ความคิดที่คิดแบบนี้อยู่ก็ไปไม่ได้ จะคิดว่าการไปบวชเป็นการเห็นแก่ตัวเป็นการปล่อยปะภาระหน้าที่ไม่เลี้ยงดูเขาอันนี้ก็จะไม่สามารถไปได้ถ้าเปลี่ยนว่าการไปบวชนี่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวตอนต้นแต่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไปเป็นเป็นจำนวนมากมายอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ย พระพุทธเจ้าท่านคิดแบบที่พวกเราคิดท่านก็ไม่ไปบวชท่านก็มีลูกมีภรรยามีอะไรเหมือนพวกเราแต่ที่ท่านคิดว่าการไปนี้มันเป็นเรื่องของความจําเป็นแทรลองไปเพราะใจของท่านนี้มันถูกความทุกข์เบียดเบียนที่จําเป็นที่จะต้องไปกําจัดเหมือนเวลาร่างกายเราไม่สบายเราไปทิ้งลูกเมียไปอยู่โรงพยาบาลหรือเปล่าเราจะเอาลูกเมียไปด้วย เราก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลต้องไปให้หมอรักษาหายแล้วเราค่อยกลับมาอยู่กับลูกเมียได้ฉันใดพระพุทธเจ้าก็ไปแค่หกปีนั้นพอบรรลุท่านรักษาโรคใจท่านเสร็จท่านก็กลับมาหาครอบครัวของท่านล้วก็มาช่วยครอบครัวของท่านให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆต่อไปฉะนั้นต้องคิดว่าไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวเป็นการไปรักษาตัว คนเราทุกคนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาไปรักษาตัวถ้าคิดว่าเป็นการเห็นแก่ตัวก็ไม่ต้องไปสิไปทํางานต่อไปเดี๋ยวลูกเมียไม่มีข้าวกินเอหยุดงานไม่ได้อันนี้มันถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยทํางานไม่ได้มันก็ต้องหยุดงานลูกเมียจะอดตายก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมตอนนั้นเดี๋ยวถ้าเราตายไปแล้วลูกเมียเขาจะอยู่ได้หรือเปล่าทําไมเวลาตายไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวล่ะ เวลาตายแล้วใครจะมาเลี้ยงลูกเมียของเราลูกมันก็เขาก็อยู่ของเขาต่อไปได้ทุกคนเมื่อถึงเวลาจริงๆเขาก็ดินหลอนไปตามทางของเขาเองให้คิดให้เป็นถ้าคิดไม่เป็นมันก็ไปไม่ได้ถ้าคิดเป็นมันไปได้กันทุกคนอยู่ด้วยกันกอดกันก็ตายอยู่กันเลี้ยงดูกันแทบเป็นแทบตายเดี๋ยวก็ตายกันไปด้วยกันทั้งหมดตายแบบนี้ไม่เกิดปะระโยชน์เลยตายแบบตกอยู่ในกองทุกต่อไป ตายแบบออกจากกองทุกไม่ดีกว่าเลยแยกกันไปคนหนึ่งไปหาทางออกก่อนพอได้ทางออกแล้วก็พาพวกที่ยังติดอยู่ให้มาไปออกไปด้วยกันอย่างนี้ไม่ดีกว่าเลยเหมือนคนที่ติดคุกอยู่นี่ส่งคนหนึ่งไปหาช่องทางออกพอไปทั้งหมดมันไปไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเยวจ้าหน้าที่เขาจะรู้ว่าหายไปไหนกันหมดก็เลยต้องแอบไปคนเดียว ไปเจาะอุโมงค์ออกไปทำอะไรเปิดช่องทางพอทำเสร็จก็บอกมาเลยปุ๊บเดียวไปกันหมดเลยเห็นเนี่ยนี่คือการออกบวชเป็นอย่างนี้เป็นการไปรักษาใจพอรู้จักวิธีรักษาใจให้หายแล้วก็มาสอนให้คนอื่นรักษาใจต่อไปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ การที่เราหนีความทุกข์ความกังวลที่เรายังนึกถึงทางแก้ไม่ออกโดยใช้พุทโธช่วยบ่อยๆจะเป็นการมองว่าเราหนีปัญหาไหมคะอันนี้ไม่ได้หนีปัญหาเป็นการกําจัดปัญหาเพราะตัวที่สร้างปัญหาก็คือความอยากเราก็ต้องหยุดมันเหมือนเราปวดหัวเราต้องกินยาแก้ปวดหัวการกินยาไม่ได้หนีปัญหานังั้ปัญหาความทุกข์เกิดจากความอยาก พอเราพุโทโธพุธโทโธความอยากมันก็หยุดไปเพนั้นพุโทโธนี้เป็นยาไม่ได้เป็นการหนีความทุกข์เป็นการกําจัดความทุกข์เป็นการบำบัดความทุกข์เพียงแต่พุโทโธยังไม่สามารถบำบัดได้อย่างถาวรเท่านั้นเองต้องใช้วิปัสสนาถึงจะสามารถบำบัดได้ถาวรแต่ในเบื้องต้นนี้มันใช้พุโทโธมันง่ายมันเร็วแต่ใช้วิปัสสนามันช้ามันยาก ในต้องอาศัยวิธีง่ายก่อนพอทุกปั๊บก็พุโทโธพุโทโธพุทโธไปหยุดคิดปั๊บหายทุกพอหายทุกแล้วค่อยมานั่งคิดว่าสาเหตุของความทุกเกิดจากอะไร อ, อ๋เ อ, อเกิดจากความอยากแล้วทาไงถ้าให้หยุดอยากก็ต้องเห็นไตรลักษณ์ก็พยายามไปหาไตรลักษณ์มาดูอยู่เรื่อยๆต่อไปเห็นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์มันก็หยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ทีนี้ความทุกข์ก็จะหายไปหมด ฉันถามจากคุณทูหลวงพ่อครับทำอย่างไรจะเอาชนะความโลภได้ครับก็เนี่ยต้องใช้สติใช้ปัญญาเบื้องต้นก็พุโทโธพุโทโธก่อนเวลามันโลภอยากได้อะไรก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เราอยากได้ทำใจให้สงบแล้วความโลภมันก็จะหายไปชั่วข่าวพอออกจากความสงบมาพอไปคิดถึงสิ่งที่อยากได้ก็ ให้มองให้เห็นว่ามันเป็นตายรักเห็นว่ามันเป็นทุกข์พอเห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็จะไม่อยากได้จะหายโรคคำถามจากคุณแอร์ชมพูปฏิบัติกรรมฐานที่บ้านทำมาหากินปกติโดยทำความเพียรสม่ำเสมอมีโอกาสที่จะถึงพระโสดาบันได้ไหมคะก็ดูไปสิถามอย่างนี้มันก็ไม่รู้จะตอบอยังไงก็ลองปฏิบัติ ด, ดู ถ้าไม่ปฏิบัติไม่พิสูจน์มันก็ไม่รู้ะถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เป็นได้ทั้งนั้นเป็นพระก็เป็นโสดาบันได้เป็นคารวาตผู้คลองเรือนก็เป็นได้ถ้ามีมรรคแปดครบในระดับของพระสวัสดาบันมันก็เป็นได้มรรคแปดนี่มันมีสี่ระดับด้วยกันระดับโสดาบันระดับสกิดาคามีระดับระคาคามี ระดับอรหันต์นี้มันมรรคแปดมันจะไม่ไม่เหมือนกันบางส่วนเหมือนกันบางส่วนไม่เหมือนกันส่วนที่ไม่เหมือนคือระดับปัญญาปัญญาระดับโสดาบันนี้ไม่สามารถไปกำจัดกิเลสระดับสกิดาคามีได้ต้องสร้างปัญญาระดับสติดาคามีขึ้นมาถึงจะกำจัดได้ปัญญาระดับสกิดาคามก็ไม่สามารถไปกำจัดกิเลสระดับอนาคามีได้ ต้องสร้างปัญญาระดับอาคาไมอาณาคามีขึ้นมาดับเช่นเดียวกับระดับพระอรหันต์จึงมีมรรคอยู่สี่ระดับด้วยกันที่เราเรียกว่ามรรคผลฮะมรรคผลนิพานมรรคสี่ผลสี่เห็นไหมมรรคมีสี่ระดับผลก็มีสี่ระดับพอได้ขั้นที่สี่ได้ผลขั้นที่สี่ก็จะได้นิพานเป็นเป็นเป็นรางวัอ คำถามจากคุณพัชรีบรรโสภาถ้าทำงานโรงพยาบาลต้องดูแลพระพิสุเป็นบาปไหมคะบาปตรงไหนแล้วดูแลพระดีจะตายไหมดูแลใครก็ดีทั้นั้นเป็นบุญเพียงแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงไปแต่ต้องตัวพระไม่ได้เท่านั้นเองแล้วไม่ควรอยู่ในห้องสองต่อสองกับพระถ้าเวลาจะไปตรวจไปเช็คไปดูอาการของพระก็ต้องมีคนอื่นเข้าไปอยู่ด้วยมีผู้ชาย แล้วห้ามแตะต้องตัวพระถึงแม้จะไปะวัดอุณภูมิวัดความดันหรืออะไรก็ต้องใช้ผู้ชายเพราะว่าพระนี่แตะต้องตัวผู้หญิงไม่ได้ผิดกฎหมายผิดกฎระเบียบของพระเพราะเป็นอันตรายต่อพระได้เพราะเวลาเนื้อกับเนื้อแตะกั น, แ, กนแล้วไฟมันจะชอ็อตกิเล่มันจะโผล่ขึ้นมาตันหามันจะโผล่ขึ้นมา แล้วเดี๋ยวพระจะต้องศึกไปไม่ใช่เลยกลัวพระจะต้องศึกไปหรือไม่ศึกก็อาจจะทำผิดศีลได้ยันจึงต้องมีวิธีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเกิดปัญหาขึ้นมาได้ไปรักษาตัวแทบเป็นแทบตายแต่ใจกลับไปถูกไฟช็อตตายร่างกายหายออกมาก็ศึกเลยกลับไปหาพยาบาล คำถามจากคุณจตุรนกราบธรรมสการถามหลวงปู่ครับกระผมฝึกปฏิบัติมานานแต่พอเจอเพื่อนหรือเจอคนมากมายไม่ค่อยจะมีคําพูดอะไรเรื่องของทางโลกไม่ทราบว่ากระผมปฏิบัติผิดไหมครับไม่ผิดหรอกท่านใจมันสงบนะมันไม่อยากจะพูดจะคุยกับใครเพราะเหนื่อยเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์อะไร ได้แต่ความฟุง้งซ่านได้แต่กิเลสได้แต่ความโลภความโกรธยังพอปฏิบัติเจอความสงบแล้วมันไม่อยากจะได้อะไรมันอยากจะอยู่คนเดียวมากกว่าคำถามจากคุณส้มกราบนามัสการพระอาจารย์ค่ะอยากเรียนถามว่าฝันเห็นแม่มาบ่อยๆ มาที่ร้านขายของทำยังไงจะให้เขาไปเกิดและไม่ให้เขาเป็นห่วงคะเขาไม่ได้มาหาเราเราไปคิดถึงเขาเองเขาไปถึงไหนแล้วเราก็ไม่รู้หรอกการไปฝันถึงวันนั้นคนนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาหาเราเขาถึงแม้เขาจะมาหาเราเขาเขาเพียงแต่มาเยี่ยมเราก็ได้เขาเป็นเทวดาเขาก็มาเยี่ยมเราได้เขายังเขายังไปเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะเขายังติดอยู่กับกรรมของเขาอยู่ ยังถ้าเป็นบุญก็ยังต้องเป็นเทวดาไปก่อนถ้าเป็นบาปก็อาจจะเป็นเปรตเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์ทรมานใจใเขายัางต้องรอให้บุญหรือบาปที่เขาได้ทำไว้หมดกำลังก่อนเขาถึงจะไปเกิดเป็นมนุษย์ได้ไดนะหมดแล้วเลยอ่ามีคำถามส่งมาทางทางนี้หน่อยเลย่งมาไมโครโฟนมาหน่อยอ่ามาหยิบไมโครโฟนหน่อยสิ ไม่ต้องแมน่อายหรอก อ, อ, อยากกลับเรียนผ้าจานครับผมการสร้างผ้าแจกฟรีไม่ว่าจะเป็นองค์เล็กสามารถชำระหนี้สงได้ไหมครับถ้าตอบแทนคุณบีดามันได้ไหมครับผมอ๋อมันก็เป็นทานอย่างหนึง่งเป็นการแจกวัตถุางคลนครับเป็นการทำบุญทำทานอย่างหนึง่งก็อุทิศบุญให้พ่อแม่ได้แต่หนี้สงนี่มันไม่เกี่ยวกัน นี่สงนี้ถ้าเราเร า, เราต้องไปจ่ายให้กับสงโดยตรงถ้าเป็นนี่สงก็ต้องไปจ่ายให้กับสงเอาเงินใส่ตู้ค่าน้ําค่าไฟอย่างนี้เรียกว่าระนี่สงอยู่แต่ถ้าทําวัตถุมงคลแจกนี่ไม่ได้เป็นการชําระนี่สงนอกจากไปถวายพระแล้วให้พระเอาไปแจกเอาไปจำหน่ายอยันนี้ก็อาจจะเป็นการชําระนี่สงในทางอ้อมสาธุครับผมขอาาาถามประชาชนคําถามหนึ่งครับ เวลาที่เราเร่งสร้างความดีบารมีครับผมแต่ทำไมยิ่งเจอความทุกข์ความติดขัดครับเออมันเป็นธรรมดาเวลาทำความดีนี่มันจะมีมารมาขวางกั้นอยู่เลยเวลาทำความเชื่อนี่มีแต่มารมาเชียมารมันไม่ขวางเวลาไปกินเหล้านี่มันไปได้อย่างง่ายดายไฟเขียวตลอดพอจะหยุดกินเหล้านี้คนนั้นคนนี้มาแย่อยู่เลยไปกินเหล้าหมไปงานเลี้ยงไหม นั้นเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปคิดอะไรให้มันวุ่นวายใจให้รู้ว่ายิ่งความการทำความดีมันยากเพราะอุปสรรคมันเยอะการทำความชั่วมันง่ายเพราะอุปสรรคมันไม่ค่อยมีคำถามทุกครั้งโอเคส ม, มัยกลับมามีอไหมคำถามไม่มีก็ดีเพราะจะได้เปิดการประชมุม